เวลามีใครบอกขี้ผิดที่ถูกผู้ใดขี้ผิดที่ถูกขี้โทษอยู่เสมอ น, นั่นแหละคือผู้ขี้ขมัศให้เราเราควรครบบุคคลที่เป็นเช่นนั่นเมื่อคบกับบุคคลที่เป็นเช่นนั่นอยู่มีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีเลวเลยเป็นหลักความจริง บางทีก็สอนให้ลูกก็ยังดีบางทีก็สอนให้ทำถ้าทำมันทำเป็นดีกว่าลูกทำให้เป็นดีกว่าความรู้ถ้าความรู้ทำไม่เป็นก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะสัธจธรรมเนี่ย มันต้องทาให้เป็นการสอนให้เป็นต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนให้ไม่ได้การสอนให้ลูกคนอื่นสอนให้ได้มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยชั้นปถมชั้นอดมจนเดือนจบเดือนลู่เดือนจบทําได้ความรู้ เป็นเป็นสิ่งประกอบอาชีพทำงานทำการไปทำงานภายนอกทำเป็นทำงานภายในทำยังไม่เป็นแต่ถ้าชอนให้ทำมันทำเป็นเช่นสอนให้รู้ว่า ทำอุปการละมากสองอย่างหนึ่งสติสตความะลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวจำได้ได้ใบ<ด><ด>ประกา ศ, กาศมาติดผาไว้อันคือความรู้ <c oughs> แต่ทำให้เป็นนี่เอามาทำดูซิสติ เป็นยังไงสมประชัยนยะคืออะไรให้สัมผัสให้สัมผัสรู้ตรงไหนรู้ปไปในกายเอากายมันเป็นอุปกรณ์ให้มันมีความรู้ฉึกตัวกณะที่รู้อยู่ก็ขณะที่จะรู้ก็ ล, ลึกได้รู้ ทำอยู่ก็รู้สึกตัวเวลาเราทำอะไรทั้งรู้ทั้งทั้งรู้สึกตัวก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดก็รู้สึกตัวอยู่ถ้ารู้สึกตัวอยู่มันก็ละความชั่วแล้วถ้ารู้สึกตัวอยู่ก็ทําความดีถ้ารู้สึกตัวอยู่จิตใจก็บริสุทธิ์ นี่คือการกระทำจริงเหล่านี้มันทำแทนกันไม่ได้ <c oughs> เวลาหลงทำยังไงถ้าไม่หัดถ้าผู้ฝึกสติเวลาหลงความรู้สึกตัวเห็นหลงพ้นจากความหลงเหมือนเห็นงูพ้นจากงู เห็นผิดพ้นจากผิดเห็นถูกพ้นจากถู ก, ถ ก, ก, ถกเห็นทุกข์พ้นจากทุกข์สติเป็นอย่างนี้มันรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆ อ, อะไรก็มารู้ก่อนคนจะเดินทางคนจะเดินมันต้องเหนื่อยอย่าเอาความเหนื่อยมาเป็นอุปสรรคมันต้องมีแน่นอน มันเหนืยไม่ทําให้เราหยุดมันลนก็นไปทําให้เราหยุดเราจะเดินไม่ต้องการความสะดวกในเวลาเดินการเดินก็ต้องคือเดินการสร้างสติก็คือการสร้างสติให้มีสติทุกกรณในงานผิดก็รู้ มันถูกก็รู้มันถูกก็รู้มันสุกก็รู้มันยากก็รู้มันง่ายก็รู้มันผิดก็รู้ให้ทาไปอย่างนี้นนเรียกว่าสติทานไปก่อนให้ถึงภาวะที่รู้เสียก่อ น, นอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูก อย่าไปเอาชอบอย่าไปเอาไม่ชอบมาต่อรองให้ไปซื้อๆไปก่อนมันจะเป็นทางแปบางที่เราเสียเวลาเพราะชอบไม่ชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนั้นเราชอบไม่ใช่สติมันเป็น ความเห็นใครก็เห็นได้มีเหตุมีผลแต่เหตุผลนี่ไม่ใช่สัจธรรมสิ่งที่เป็นสัจธรรมมันเหนือเหตุเหนือผลแช่เวลามันหลงก็คงมไม่หลงนั่นไม่ใช่เหตุผลหรอกหลงกับไม่หลง ทุกข์ก็ไม่ทุกข์โกรธก็ไม่โกรธไม่ใช่เหตุผลถ้าเอามันเป็นสิ่งที่ว่าจะจะทามันเลยไม่จริงไม่ต้องเถียงกันสัมผัสได้ควมทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้ทําแทนกันไม่ได้ เวลาท่านเป็นทุกข์เราอยากเป็นทุกข์แทนท่านจะเปลี่ยนเองไม่ต้องทุกข์อย่าทำอย่างนี้แต่มันทำแทนไม่ได้เวลาท่านโกรธะแค่โกรธแทนท่านจะเปลี่ยนโคมโกรธเป็นไม่โกรธง่ายๆมันทำแทนกันไม่ได้เวลามัานเก็บอยากแค่เก็บแทนท่าน เราจะเห็นมันเก็บจะไม่ต้องเป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บแต่มันทำแทนก็ไม่ได้เวลาท่านหายใจไม่ได้เราจกจะหายใจแทนท่านเราจะไม่ต้องทุกข์เพราะหายใจไม่ได้เนี่ยมันทำแทนก็ไม่ได้จึงต้องหัดตัวใครตัวมันนะ ตัวไข่ตัวมันเหมือนกันหมดชีวิตของเราเนี่ยไม่ต่างกันถ้าจเจ้าตามหลอยพระพุทธเจ้ า, าก็ยังได้บอกเมื่อวานนี่ว่าทูเจ้าก็หลงเหมือนกันอาจจะหลงมากกว่าเรานะเพราะสิ่งเวรร่มสิทธัตถะไม่เหมือนกับพวกเราเป็นเจ้าผ้าชายนาะ สวมชัดดาสวมเกือกแก้วอยู่ในปราสาทสามฤดูไม่สนมกำนันไหนดีชีทีเปล่าไม่ทุกข์ร้อนอะไรนี่มานั่งอยู่ต้นโพอยู่ลมพังชีวิตเดียวนะไม่มีที่มุงที่บังอะไรเลย ที่นั่งก็เป็นหญ้าคาอมาปูดักห้ากำมือเท่านั้นเองใต้ต้นไม้ <c oughs> ถ้าจะเปรียบเ <c oughs> ทียบกับภระสาทสามระดูมันก็มีเหตุผลเหมือนกันจะมานั่งอยู่ที่นั่นก็ไปเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมันก็มีเหตุผลเหมือนกัน ยก็ไต่อะไรก็ตอบผลตกก็เปียกแดดออกก็ถูกอยู่ประสาทราชวังหรือดูผลมีหลังหนึ่งหรือดูดาวมีหลังหนึ่งหรือดูล้อนมีหลังหนึ่งเปรียบเทียบดูซิอะไรมันจดเหตุผลนั่นไม่ใช่ไม่เอาเหตุและผลเช่นนั้นถ้าเอาเหตุผลเช่นนั้นกับก บ, บินาพัฒน์แล้วสิท ธ, ธัตถะ เอาตรงไหนล่ะมันคิดไปใช่ไหมเวลานั่งอยู่นี่คิดถึงประสาทจำเรื ด, ดูกลับมาเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดแราเมามีสติอย่างนี้นะกลับมาเวลานี้มันอะไรก็จะกลับมาลู่มาลู่ลู่ซื่อๆมันคิดไปก็ลู่ คิดถึงเพียมพาเอา้าไม่ใช่ไหมคิดถึงเพียมพากลับมาลูกคิดถึงล้หุน่นคิดไปแล่นไปกลับมาน่ารู้จึกตัวเวลา น, นี้ไม่ใช่ไม่คิดถึงลูกถึงเมียเดินมาแสวงหาโมกขธรรมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของสัตว์โลกอะไรที่มันไม่เป็นอย่างนั้นกลับมาหัดหลงลกูก งถึงอะไรไปหลงพลอ้วตายก็มีบางทีจะท่าจะเก็บจะป่วยอาจจะปวดนั่งนานอาจจะปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดเอวเห็นไม่ควมปวดมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่เห็นลู่เรื่อยไปอย่างนี้ถึงจากนี้นะยากไหมไม่มันก็มียาก แต่ไม่ความยากเป็นความให้หลงให้มีความรู้สึกตัวไปง่ายไหมมีเหมือนกันม่ความง่ายเป็นความชอบไม่มีความรู้สึกตัวไปนี่เดีว่ารู้ซื้อมันพาให้ซื้อๆออนี่ยซื้อแบบนี้มันไม่ซื้อแบบต้นไม้ไม่ซื้อแบบเช่นทางซื้อต่อความเท็ความจริง ความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงมันซื้อแบบนี้ซื้อเป็นกลางไม่ใช่ซื้อแบบตรงตรงซื้อแบบเป็นกลางเห็นเนี่ยเป็นกลางถ้าหลงไม่หลงดังเป็นอันหนึ่งอยู่ถ้าผิดถ้าถูกยังเป็นอันหนึ่งอยู่ถ้าเห็นมันผิดเห็นมันถูกเนี่ยเป็นกลางเป็นความตรงอันนี้นะนั่นเลย ได้บทเรียนผ่านไปคนทำงานจะ ต, ต้องมียอดจะต้องมีง่ายคนทำงานจะ ต, ต้องไม่ผิดจะต้องมีถูกคนทำงานต้องมีล้อนมีหนาอะไรก็ตาม น, ะนั้นไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านั้นที่มันเป็ น, ปนมาเป็นตัวเป็นต้นให้เห็นมัน ให้เห็นอย่างนี้ถ้าจะให้มันชั้นให้มันชั้นให้มันสะดวกก็ว่าไงเดี๋ยวก็สะดวกไปไม่นะถ้าหลงเป็นหลงไม่สะดวกไม่สะดวกอะไรถ้าหลงเป็นลู่สิกตัวสะดวกกว่าถ้าโกรธเป็นโกรธไม่สะดวก ถ้าโกรธเป็นความรู้ส like. ึกต <u> ัวนสะดวกทุกเป็นทุกไม่สะดวกถ้าเป็นเราไม่สะดวกถ้าเห็นเราสะดวกถ้าจะว่าแล้วนะถ้าจะว่าเหรอเห็นสะดวกถ้าเป็นไม่สะดวกติดเป็นแล้วถ้าเห็นเนี่ยสะดวกทำดูเป็นอย่างนี้นะ ไม่มีกระทบกระเทือนอะไรเลยการเห็นนี่กหลังจะมั่นคงอะไรมาก็เห็นอ้าวสนุกดูแต่ก่อนมันก็เป็นแบบนี้มันเห็นนี่เป็นปฏิปทาการเห็นแบบนี้เรีวทวัศนนุตรยะเหมือนท่องเที่ยวเหมือนดู ตูการแสดงที่มันมีในกายในใจเรานี่แปดมือสีพันอย่างมันแสดงหมดปวกแต่เราก็ดูเห็นมันกิเลสก็พันห้าตัณหากร้อยแปดบางทีมันไปเปื้อน ไ, ไ, ไปติดมาใช้ชีวิตไม่ไม่เป็น สุขสนอะไรหลายอย่างเป็นจริตนิสัยนั่นแหละมันจะดีมากหลาคาจริตชอบปรุงชอบแต่งไม่ความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งมันคืออะไรคือมันปรุงแต่งเป็นสังขารสังขารไม่ไม่ใช่ตัวตน การมันปรุงมันแต่งสังขารเป็นวิสังขารคือมันตรงมันจริงวิสังขารคือมันหยุดเหมือนรถติดเครื่องต้องปิดได้ลถคันไหนติดเครื่องปิดมัได้ใช่ไม่ได้วิ่งก็ต้องหยุดได้จึงจะใช่ได้หน้าต่างเปิดได้ปิดได้ จึงจะได้ชีวิตของโรมันใช้ได้กับนั้นนะมันหลงเปลี่ยนได้มันทุกข์เปลี่ยนได้มันโกรธเปลี่ยนได้มันพอใจเปลี่ยนได้มันไม่พอใจเปลี่ยนได้อย่างนี้เราว่าชีวิตใช้ได้โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ชีวิตใช่ไม่ได้ ใช่ไม่ได้เลยเป็นภาระตาฮัดมันไม่เป็นภาระจนไม่มีภาระจนไม่มีมมภัยไม่มีปัญหาปัญหาเป็นปัญญาไปเสียแล้วแต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาตาหัดไปหัดไปปัญหาเป็นปัญญาไปแล้ว รวมรบรู้ในกองสังขารในกายในใจเรานี่ได้บทเรียนจากมันเป็นปัญญาตรงนี้นะไม่ใช่ปัญญาเรียนสูตรสาเร็จเหมือนวิชาการทางโลกปัญญามันเกิดจากกองสังขารคือกายคือ ใ, น ใ, นใจเราเนี่ยถ้าเรียนจบตรงนี้เหมาะแบบเหมาะแก่การงานหน้าที่ พอมาจบตรงนี้แล้วอันอื่นก็ง่ายเลยบัดนะเหมือนกับขึ้นเขาสีปะทะประเทศสีลังกาถ้าใครเคยขึ้นเขาสีปะทะได้เรื่องอื่นง่ายไม่ยาก่เป็นความยากลําบากความเหน็ดความเหนื่อยความสูงความปีนความป่า ย, คาายเคยขึ้นมาแล้ว <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นการปฏิบัติธรรมนำะสูงสุสงสดไอ้ดอยหิมลามลายัลายก็ขึ้นไปแล้วไปบบน อ, อนอยู่ตรง น, นันน่นเอ้บาเลก ข, ขึ้นไม่ได้นอนดลองดูสิอันไหนที่มันเป็นยากยา ก, ากแต่พระถึงการทำ ทำให้มันไม่ยากเราจะเดินขึ้นเขาแล้วก็ถึงทุกก้าวไม่มีอะไรที่ภายในใจิตใจเดินไปคนมีกําลังก็เดินไปไวกว่าแล้วก็เดินเข้าทุกก้าวถึงทุกก้าวเราเดินทุกก้าวตั้งต้นทุกก้าวก้าวที่หนึ่งก็มีก้าวที่สองไปไม่ใช่ไปคิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะได้โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยมาได้คิดนั่นได้คิดแบบนั้น นี่แต่เดินไปก้าวไปแล้วจายก็ถึงเองถึงยอดเขาเชีบทาเองงองมองไม่เห็นยอดเขาเพราะเมฆอยู่ในขี้เมฆโดนเราจะมองโอ้ยเราจะไหวไหมน้ออายุเจ็ดสิบปีเราจะเดินขึ้นไหวไหมน้อไม่ได้คิดแบบนั้น เราจะเดินทุกก้าวไปทุกก้าวไปการปฏิบัติธรรมอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายเออผิดเอาไว้ถูกไปเอาได้เอาไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้ไม่มีเลยมีแต่สติเห็นความยากความง่ายความได้ไม่ได้ความผิดความถูกไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราคนจะเดินคนจะทำ ใครจะช่วยเหลือใครจะไม่ช่วยเหลือไมเรียกร้องบางทีมันก็ช่วยไม่ได้เ <c oughs> นี่เราเดินทางไม่ต้องการความสะดวกเราจะเดินเฉย ๆ, ฉยๆไม่ต้กลัวความยากลําบากเราจะเดินเนี่ย <c oughs> เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ตั้งแต่เมืองเลย <c oughs> เดินทางไปเชียงใหม่ เราจะเดินเนี่ยมีรถมาจอดให้ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเขาก็คงจะอยากให้ขึ้นเขาก็หวังดีแล้วจะไปเชียงใหม่ย่าจะจอดรถให้ขึ้นอาจารย์จะไปไหนไปบ้านข้างหน้าถ้าบอกว่าไปเชียงใหม่มันมันจะไม่ได้เดินเราต้องการจะเดิน ไปบ้านข้างหน้าก็ถึงบ้านข้างหน้าเออเออลงนี่แหละก็ไม่ไม่โกหกของเพราะว่าถึงบ้านข้างหน้าที่ไหนข้างหน้าเลยไปก็ลงเลยไปลงเลยไปจอดเลยไปลงเลยไปอยนนี่ถึงเราต้องการจะเดินไม่ต้องการให้ใครช่วยเหลือแต่ช่วยก็ไม่เป็นไรว่ได้ชอบเขาช่วยเหลือเออเราชอบเขาไม่ช่วยเหลือเราไม่ชอบไม่ใช่แบบนั้น จนไม่ค่อยจะได้เดินจากวังเลยถึงจังหวัดํำปางมีแต่คนรับไปได้เดินบ้างบันนี้ก็เปลี่ยนแผนเดินตามทางรถไฟจากํำปางไปบันนี้เปลี่ยนแผนทางเดินทางตามทางรถยนเดินตามทางรถไฟเสร็จแล้วไม่มีใครรับแล้วบันนี้ นับไม่หมอนไปเข้าถ้ำขุนตาลเกตกรมลอดภูเขาสองไฟฉายเวลารถไฟมาก็เขาก็ไปแต่เอ๊มันก็สองไฟก็เห็นมีที่หลบก็เปียดกาแพงเบียดผาไว้รถไฟก็ผ่านไปบิมเบิมเบิมเบิมไปลดภูเขาลอดถ้ำ ทนทําออกไปเดินใต่หมอนรถไฟไปเนี่ยชาวหน้าไม่อยากเดินเดินไปไม่ใช่ทุกนะพอไปถึงสถานีแรกในปากท่ำไปทางโน้นทางลำพูนนายสถานีมารับบาท อาจารย์นี่ยวนไปพักห้องพักผู้โดยสารตื่มน้ำดื่มท่าสักหน่อยพอนัองพักหรอนายฐานีบอกว่ามีคนนั่งรถไฟขบวนที่ผ่านมาเขาจองตั๋วให้ท่านถึงปลายทางเชียงใหม่แต่ท่านประสคงจะลงที่ไหนก็ได้แต่ต่อตั๋วถึงปลายทางเราเอาอยัางไงปะเนีจะทำไง S <S จะเด no ินเลยเจล่างรถไฟเขาก็เสียเงินแล้วจำเป็นก็เลยขึ้นรถไฟเห็นเคียงใหม่เลยนี่คือคนไทยนะก็ไม like> um yeah, ่ได้ผิดไม่ได้โทษแต่ไม่ใช่ความผิดของเราเราต้องใจจะเดินมันก็เป็นเช่นนั้นขึ้นมาบางโอกาสบางทีปฏิบัติรมเ่ย ถึงข่าวที่มันเป็นเช่นนั้นก็มีนะนนะก็จุยก็จายไปเลยนะแอกขานไปเลยนะถ้าอย่าไ ป, ไปติดมันจะเป็นวิปัสสนูมีความสุขมีปิติปัสจิิมองอไรทะลุทะลวงก็ง อ, ยงอย่าไปหลงเองไม่ใช่หลงสุขไม่ใช่หลงลูกมิจะเห็นเลยไปเห็นเลยไปอย่างนะั้น บางทีก็ยากบางทีก็ง่ายบางทีก็ผิดบางทีเกาถูกบางทีงทก็ชอบไม่ชอบมีสําหรับผู้ที่ทํางานผู้ปฏิบัติก็เช่นกันบางทีก็เจอความง่วงเหงาหานอนความคิดพุ่งสอดความรังเลสงสยัยทิมเอาจนหัวปักของปั๊มไปก็ไม่ก็ไม่เป็นไรดู พยามที่สอดแช่เข้าไปในความเป็นอะไรที่มันเป็นมามันง่วงก็ยอมรู้สึกตัววิธีรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่เฉพาะอรู้กับกลางจังหวะบางทีก็อกฉากยุดถ้าไม่เหมาะยุดนั่งเฉยๆก่อนงงทงขวางงคิดองทาง มองรูจอ่ะนะตัวเวลานี่เราอยู่ในแบบไหนเราเป็นอะไรดูตัวให้รู้จึกตัวลุกขึ้นเดินไม่ใช่นั่งสู้มันมันนั่งสู้มันไม่ได้คมงงลุกขึ้นเดินไปมาก็หายมันง่วงทีเดียียนไม่ยอมให้รู้เข้าไป ไม่ใช่ไปหยบไปจะหยบกับความง่วงเวลามางง่วงมันอ่อนนะตาก็เลืนไม่ขึ้นนะแขนก็ยกไม่ขึ้นนะเปลี่ยนท่าทางยกขึ้นมาคิบแขงตอนที่มันอ่อนเนะี่ยมีพลังตอนที่มันยากเสริมเข้าไปพยายามพิดตตัวเอ ง, เองทุกโอกาส มันกลัวบางก็มีนะความกลัวร้อนนะความกลัวเหตุให้กลัวก็มีนะมีช้างบ้างมีเสือบ้างมีลิงบ้างมีงูบ้างมีผีบ้างอ่อ่ะมันก็อะไรแหละมันกลัวแหละ บางทีก็มีเหตุที่มีเหตุที่กลัวมีชางมีเสือมีงูบาทีก็กลัวความคิดตัวเองเห็นชาตเขนสกเห็นชาตเนศกก็มีกินเหม็นเออ เอาหีบศพของชากิศพมาปูนอนมันก็ยังมีกมลิ่นเหม็นนะก็เกิดความกลัวขึ้นมาได้กลิ่นที่ได้คิดถึงศพก็เกิดความกลัวข็มาคิ ด, คดนอนขณะที่เขาพิจหลับแล้วก็ก็ฝันไปสู้กับผีจนเหน่อยเกือบจะโดดกติวิ่งไปหาเพื่อนนะ สู้มันขึ้นมา <laughs> สู้มันขึ้นมายกมือช่างใจวะจนหรือมันมันกลัวเลยมัคิดนั่งอยู่กุ้ยกุ้ยผีผยกมือช่างใจวะหายเลยอ่ามันหา ย, หายขณะที่มันกลั ว, วกลัวโค้มกลัวหายไปขณะที่ไม่ที่มันกลัวลต้องกันไปไ<ม>พอดีเลยจบไปเลยนะ โอ้ยขอบคุณควมกลัวโอ้มันกลัวแท้ๆจึงให้ไม่กลัวขอบคุณทุกอย่างที่เป็นปัญหาทําให้เรามีปัญญาอขอบคุณความทุกข์ที่มันทำให้เราไม่ทุกนี่มันเหตุของเก่งโอเจ้าจึงจะตัดว่า <c oughs> อริสัตย์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์มีอยู่คือของเก่ง ไหนสัตวคือของเก่งอเอาไเสดความดับมันเลยแห่งทุกข์มีอยู่ไม่ใช่ทุกข์มันมีอยู่ความดับมัน ะ, นะวกลัวก็มีอยู่ความไม่มกลัวตรงกันพอดีมันอะไรบ้ามองไปแลบัตทะลุไปแล้วนะเห็นอะไรง่ายแล้วันลาดไปแล้วถ้เห็นมันลาดนะถ้าเป็นมันฉันนะหน้าผา ถ้าเห็นมันลาดนะมันขึ้นเขามันขึ้นฝ่องแม่น้ำถ้ามันเป็นเนี่ยมันยังลอยคอขึ้นยากขึ้นเขาก็ขึ้นยากถ้าเห็นน่ะขึ้นง่ายอันหน้าผาที่ในหัวใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจเป็นไม่พอใจเนี่ยมันยากถ้าเห็นเราง่ายลาดขึ้นลาดลงลาดลงลอดลง น่าดเลยล่ะก้าวง่ายๆเห็นไม่เป็นง่ายๆได้เห็นแล้วเป็นยากโอ้ยใชยชีวิตสะดวกแระเบนอะไรก็เป็นคู่มือไปเลยทำง่ายระเบนสะดวกแระเบนถึงข่าวสะดวกก็สะดวกทะลุทะลวงแตกแานไปความผิดมันบอกความถูกมันบอก อร่อยมันก็บอกไปบอกไปบอกไปปฏิบัติทมนะความเกิดความไม่เกิดความแก่ความไม่แก่ความเจ็บความไม่เจ็บความตายความไม่ตายบอกไปเลยทิศทางจุดหมายปลายทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปะริญานิพานความทุกข์แท้เป็นนิพานดัง กรมทุกพระความไม่เที่ยงแต่ก่อนความเที่ยงเป็นทุกต่อดูไปดูมาเราไม่ใช่ความไม่เที่ยงอะเป็นนิพพานไม่ทุกในความเป็นทุกขมันเป็นไปเพื่อความดุเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อเปิดนิพพานคือพระธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นความเป็นทุกก็เป็นทุกสมัยก่อน วันนี้ความเป็นทุกข์เป็นนิพพานจริงๆก็มป็นทุกข <c oughs> ์เป็นนิพพานจริงๆอย่างที่เราสาเทพระสูตรมันเห็นหลักฐานจริงๆนะสองมาจากชีวิตของเรานี่แหละสัพพสัง卡拉อนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจเลารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว ด, ดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทกาุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจเละรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งทิ้นเกิดขึ้นแล้วเจ็เ จ, จ็จบตายไปสัพเพธรรมานตา สองขานคือร่างกาจิตใจที่เป็นรูปความนามธรรมใช่ไหมไม่ใชม <c oughs> ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราโอ้เพราะที่สุดละมันจึงเป็นไปเพื่อปฏิญญานจงริง ไม่มีไม่เป็นมิจะเห็นได้บทเรียนจากกายจากใจนี้เป็ น, ปนที่เป็นรูปเป็นนามนี้รูปมันรูปรูปทำนามทำนี้อาศัยข้ามอาศัยขี่มันข้ามภาคขอบคุณรูปขอบคุณนามพี่ให้เราได้ใช้สำเร็จประโยชน์นะ ถ้าไม่มีรูปมีนามก็ไม่มีอะไรที่ใช่ให้สําเร็จประโยชน์เหมือนพ่วงแพรขี่ข้ามภากนะใช้ได้สําเร็จประโยชน์รูปทํานามทําแน่สําเร็จประโยชน์ได้ถ้าไม่มีรูปไม่มีนามเลยไม่รู้ใช่ยังไงขอบคุณมันรูปที่มันโลนขอบคุณมันที่มันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยขอบคุณมัน มันเป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาข อ, อาการของรูปอาการของหนามของโกดไม่ใช่หนามเป็นอาการของเขาซะนั้นเองมันบอกสัญญาณให้เราได้บทเรียนจากมันขอบคุณความหิวถ้าไม่หิวมันก็จะตายรูปเนี่ยขอบคุณความปวดความเมืยถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็เป็นสัญญาณไปให้ยมันเอามาใช้ใช้ให้มันเป็น ใช่เป็นแล้ววะเน่ยได้ใช่รูปใช่นามใช่กายใช่ใจใช่ตาใช่หูใช่จมูกเร่องกายใจแต่ก็มาใช่เรางันสังให้เราเป็นสุขก็เป็นสุขสังให้เราเป็นทุกข์เปนทุกข์เป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเป็นทุกข์เพราะรูปเพราะนามเป็นทุกข์เพราะเป็นสุขเพราะรูปเป็นทุกข์เพราะรูปเป็นสุขเพราะนามเอากายเอาใจมาเป็นสุขเอากายเอาใจมาเป็นทุกข์ วัดนี้ไม่เอามาเป็นฉกเป็นทุกข์ใช่มันถ้ามันเหมือุกเหมือทุกข์ไปไม่เป็นเลยกายกรรมมันไม่ต้องทุกข์หรอกอ๋อประกาศเลยประกาศเป็นอิสราภาพเลยตัว น, นี้ไปจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นฉกเป็นทุกข์ละจะมีชีวันกีนาทีกี่พบชีชาติก็ไม่เอากายเอาใจมาเป็นฉกเป็ทุกข์จะใช่มันถึงที่สุดถ้ามันมีเนาะ หรือว่าใช่ได้ใช่เป็ น, ปนก็คนมันโอ้ยพ่อแม่ทําเราเกิดมานะพ่อแม่อาจจะทําไม่ได้แต่ลูกชายของแม่ลูกเสาวของแม่คุอมค่าเรากับน้ำนมที่พ่อแม่เลี้ยงมานะมันเป็นอ็นนี้โดยตรงนะชีวิตเราที่ได้มาไม่ใช่มาเกิดเจ็บเจ็บต้อยเกิดวันแล้วมาเจ็บมาเจ็บมาตาเป็นทุกข์ตลอด มีปัญหาทะเลาะกันไม่ใช่ช่วยกันนี่นี่ว่าน้องตาไปงานศพเด็กน้อยก็ลองให้ทั้งว่านเลยก็เลยบอกว่าเอ้าเพลงหลงองอกเดียวกันคนในศาลานอกศาลานี้ถ้าใครเคย พระพาจากของรักของขใจเป็นทุกน์นำตายนำมุกไหลให้ยืนขึ้นทุกคนที่นั่งไงฉลาดก็ยืนขึ้นหลวงพ่อก็ยืนขึ้นนะให้ยืนขึ้นพราก็ว่ายืนขึ้นทุกทหมดเลยเออพวกเราก็เหมือนกันเลเนี่ยไม่หกเดียวกันนะเคยร้องไห้เคยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเคยตายเหมือนกันหรือเนี่ยเคยเหมือนกัน ยืนขึ้นอยู่เนี่ยเหมือนกันห<ร>มดงโงกเดียวกันไม่ใช่ทุกแคพ่พอ่พอแม่ของผู้หวายชนเพาเราก็เคยอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ท่านคนเดียว<อ>เราก็เป็นเหมือนกันตอนที่ยืนอยู่นี่เป็นร้อยเป็นสองร้อคนอถ้าใครเคย ถ้าเคยะ้าเเจ็บเคยปวดเคยทุกข์เคยพลาดากของรักของชอบใจเสียอกเสียใจก็สิ่งที่รักที่ ขงเห็นแล้วจากเราไปให้นั่งลงมันก็นั่งลงอีกนั่งลงทั้งปดเลยเนี่ยหัว อ, อกเดวกร่ากบคนก็หยุดลองไห้เลาเ่ทาทำใจได้ทาใจได้หล่นตาก็เยกลยวหลงตาเนี่ยเอ้ยน้ามูรตาไหลเหมือนกั น, นนะอ่ะนะหลานตาย เอาหลานมาเลี้ยงลูกก็ตายหลานก็ตายแล้วขณะเนนที่ยวหลานไปฝังใช่ไหมก่อนนะไม่ให้คนอื่นหามเราหอ่อห่อดีๆเราเอาเอาผ้าขาวมาววนนผูกส้นก็พายเอาอุ้งไปนะ่ยนะรักมากตอนที่เอาหลานลงฝังเนี่ยคนทั้งคนเนี่ย เอาดินลงกลุมเนี่ยแม่มันซึ้งใจแท่นนะราะนั้นใครก็เคยทุกข์ปันกันก็เลยบรรยากาศก็ดีขึ้นหน่อยตอนนั้นนี่จะไม่ทุกข์ไม่ได้เลยความแก่ความเจ็บความตายเห็นแจ้งเห็นแจ้งามใจนะหัดเอาไปทำให้เป็น ตั้งแต่มันหลงเห็นมันหลงวันทุกข์เห็มันทุกขมก์มันโกรธเห็มันโกรธเอิดขวามาเที่ยงเอาความาเที่ยงเป็นปัญญาเอาความเป็ทุกข์เป็นปัญญ า, า, า น, ญญานี่เรียกว่าอาจจะได้เหนือการเกิดแจ่เจ็บตายในในวัยนี้เองถ้าทำํำยังไงมันตรงไปอย่างนี้นะตรงอย่างนี้ปฏิบัติตรตงสะดวกคนรู้ทำได้ง่ายนะ นี่วิตานี่ก็น่ากระตือรือร้นนะไม่เคยมีใครสอนเลยรู้ซื่อแบบนี้นะเกนะิดมาตึงสามทีปีไม่มีใครสอนมีหลวงพ่อเทียนไหนสอนลเลยก็เลยกระตือรือร้นมากนะก็ตือรือร้นมากเวลมามันหลงเปลียนหลงไปไม่หลวงเนี่ยมันซึ่งใจนะเนี่ยจะกลับจะไปกรุงเทพวันนี้ในวันในหลงเอ้ปีหลวงพ่อเทียน เวียนมาถึงหนึ่งรอยปีประเทศไทยเราจัดงานอ้อยปีหลวงพ่อเทียนทั่วประเทศแต่เริ่มต้นที่กรุงเทพวันที่ยี่ิบวันที่สิบหก6ลือยี่สิกยี่หกอยี่หกเนาะใช่ไห ม, ม <c oughs> อ่านในวันน้องตาไปเทศเปิดงานในขั้งแรกต่อไปก็จัดทุกภาคไป อันนั้นก็คงไม่ศูนเปล่าในศาสนาสัมมาสัมพุทธนเจ้าถ้าเราทำแบบนี้นะฮะเอ้สงควรเยวลากราบพระพ่อกัน